ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิจาัย์ศรีปทุมได้นําเสนอพระสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปานนาฏสืบเนื่องกันมาตามลำดับก็มาถึงพระสูตรสุดท้ายคือสติปัฏฐานสูตร จึงถือว่าเป็นพระสูตรที่โดดโดดเด่นมากพระสูตรหนึ่งเพราะว่าพระยาทรงแสดงหลักการปฏิบัติพัฒนาจิตคือพัฒนาศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ก็เน้นไปที่สมาธิกับปัญญาเป็นหลักเป็นพระสูตรที่ทรงจาแนกแสดงไว้ในที่ต่าง ในปริมาณที่แตกต่างกันเิมว่าเนื้อหาสาระมาสรุปรวมกันได้ เ, เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมและการใช้สติสัมปชัญญะความเพียรในการ น, นลึกรู้ถึงกายเวทนาจิตธรรมจนเกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง แล้วในที่สุดก็บรรลุมรควลไปได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นนั้นและที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าเป็นพระสูตรที่ส่งรับประการผลเอาไว้ว่าจะบรรลุมรควลได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีแต่ก็ไม่เกินเจ็ดชาติ หมายความว่าใครที่พยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องชาสุดๆก็คือเจ็ดชาสามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลอย่างน้อยก็ชั้นโสดาบันขึ้นไปในสำนักการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นอ น, นมากที่เรียกว่ า, ายวิปัสนาธุระหรือฝ่ายวิปัสนาธุระ ก็จะเน้นที่สติปัฏฐานสูตรแต่ตัวที่เน้นจริงๆเน้นที่มหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งก็เป็นการขยายสติปัฏฐานสูตรออกไปอีกระดับหนึ่งในยะอองธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยได้ขยายออกไปในรายละเอียดก็เป็นธรรมนองพระพุทธเจ้าทรงอธิบาย พระพุทธธรรมของพระองค์เองและการต่อมาพระอาจารย์อาจารย์เองก็ได้ให้ความสําคัญกับมาสติปัฏฐานาสูตรหรือสติปัฏฐานาสูตรหรือสติปัฏฐานาปาฏะที่เรียกชื่อต่างกันนั้นก็เพราะอยู่ในพระสูตรที่ต่างกันหมายความ่มสติปัฏฐานาสูตรนั้นเป็นข้อความโดยสติปัฏฐานาปาฏะนั้นเป็นข้อความ โดยสรุปแต่ก็กินเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้สติปัฏฐานสูตรเฉยๆข้อความก็ขยายออกไปมาสติปัฏฐานสูตรข้อความก็ขยายออกไปก็เรียกว่ารวมกับอัตถกถาแล้วก็สมบูรณ์เพราะในการแสดงนั้นก็ใครจะนำท่านศึกษาไปรู้ ท่านผู้ศึกษาไปรู้จักในมุมใหญ่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและพระธรรมกถาจา์นำไปขยายความในแต่ละประเด็นขึ้นต้นด้วยคำว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในแคว้นกุรุก็ทรงอาศัยในนิคมชื่อว่ากุรุ ที่ชื่อว่ากัมมาสะธรรมะเป็นนิคมของชาวกุรุแต่ว่าที่ที่พระพุทธเจ้าประทับเนี่ยชื่อว่ากัมมาสะธรรมะพระภูมีพภาคเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกราบทูลรับพระดารัสของพระภูมีพรภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระภูมีพภาคได้ตรัสว่า ีิสุจนทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสะเพื่อก้าวล่วงทุกข์และโทมนัสเพื่อก้าวล่วงโสกะและประเทศปริเ ท, ะเทวะเพื่อความดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยาตธรรมเพื่อทำปณิพานให้แจ้ง ทางนี้คือสติปทานสี่ประการจากนั้นก็ส่งไขไปแต่ละข้อแต่ประเด็นข้อความข้างต้นเนี่ยมันมีการขยายไว้พิสดารโดยพระตกถาจารย์ซึ่งก็หมายความว่าฟังพุท ธ, ธาธิบายมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของประสูตร์ทีเดียว แต่เป็นการขยายข้อความในประสูตรท่านก็เริ่มอธิบายมาตั้งแต่คําว่าประทับอยู่ในแคว้นกุรุทั้งหลายชนบทแม้แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ของราชกุมารผู้อยู่ในชนบทชื่อว่ากุรุเขาเรียกว่ากุรุหรือกุรุเนี่ยเป็นชนบท หรือกุรุชุนบุตรแต่พระต่าอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าในสมัยนั้นพระเจ้ามันธาตุราชมนุษย์ในสามทวีปได้ยินคําเล่าหรือว่าขึ้นชื่อว่าชมพูทวีปเป็นดินแดนที่อุบัติของยอดคนจำเดิมแต่พระพุทธเจ้าพระประเจกรพุทธเจ้าและพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลาย เป็นทีนภิรมยอุดมทวีปคือเป็นทวีปที่อุดมยึงได้พากันมาพร้อมด้วยพระเจ้าจากักรพรรดิมันธาตุราชผู้ทรงทรงจากแก้วออกหน้าแล้วเสด็จติดตามมาอย่างทวีปทั้งสี่จากนั้นพระราชาก็ได้สถามปรินายกแก้วว่ายังมีหรือไม่สถานที่ที่เป็นรมณียสถานยิ่งกว่ามนุสโลก ทีนี้ก็ประเด็นของเท้าของพระเจ้ามันธาตุราชก็เหมือนกันมีนเรื่องของพระองค์ปรากฏในที่ต่างๆก็หลายสิบแผงแหละแต่กอเน้นให้เห็นถึงความอิ่มในกามทั้งหลายไม่มีนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งยังไงยังไงชีวิตมนุษย์เราก็ต้องจบลงที่ความตาย แล้วก็พูดถึงอานุภาพของพระเจ้าจากักรพรรดิว่ายิ่งใหญ่กว้างขวางขนาดไหนที่พูดถึงพระพระุทธเจ้าเราว่าถ้าไม่เสด็จออกผนวดก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดินั้นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วมีอนุภาพอย่างไรมีอิทธิฤทธิ์อย่างไรเป็นต้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าพระเจ้ามันาธาตุราชนั้นได้แสดงอานุภาพของ รัตนะทั้งเจ็ดของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจักแก้วปรินายกแก้วคุณครังแก้วพวกนี้ก็ขยายอาณาเขตออกไปกว้างใหญ่ไพศาลจนชาวโลกเหล่านั้นได้ยอมรับนับถือพระราชำนาจของพระองค์แต่พระองค์เองไม่รู้สึกพอใจอ่ะมันคล้ายๆมันแคบ ขนาดครองทวีปตั้งสามสีทวีปแล้วท่านดึลรู้สึกว่าแคบในที่สุดก็พูดถึงสถานที่ที่มันยิ่งใหญ่กว้างขวางกว้า ง, า ง, า ง, างใหญ่ไพศาลเนี่ยม่ามีอยู่ที่ไหนบ้างก็พูดถึงสวรรค์ชั้นจาตุมาราชไปถึงชั้นดาวดึงก็ไปขอแบ่งราชสมบัติกับท้าสกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึง ชาวกัเทวราชก็คงจะต้องการสอนอะไรสักอย่างนี่ยังไงไม่ทราบท่านก็มอบแผ่นดินให้เลยให้ปกครองครึ่งหนึ่งกองสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้ามันตาตุราชก็อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงอายุของมนุษย์กับอายุของเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่มันห่างกันมากคือร้อยปีวันหนึ่งคือหนึ่ง เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวประดึงมาความมาร้อยปีโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับสวรรค์ชั้นดาวดึงเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉนั้นถ้าเรานับนับแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานมาเนี่ยไม่น่าเชื่อหรอกมันก็มีอยู่ยี่สบกวันเท่านั้นเองยี่สกวันยังไม่เต็มดีโดยทำไปเ็าแสดงอายุนานมาก แล้วเมื่อท่านขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ท่านดาวดึงอายุท่านก็เป็นอายุทิพย์เป็นอายุแบบเทวดาถ้ามาอายุท่านอยูน่ในโลกมนุษย์มันเปลี่ยนพระเจ้าจะกระพัดไปตั้งเยอะแล้วท่านยังไม่ได้ยุติเลยอ ย, อยู่ไปก็คงจะเซ็งงนะอยู่นานไปหน้าตาคนก็ซ้ำกันในความอบอุ่นแบบสังคมครอบครัว ของประชาชนของชาวโลกเนี่ยมันมันก็ไม่มีในสุดก็ปรารถนาที่จะมาจุติในโลกมนุษย์ก็ลงมาปรากฏว่าเมื่อท่านลงมาเนี่ยมันเรื่องของท่านมันเป็นตำนานเป็นตำนานโบราณเก่าแก่มากเป็นเรื่องเล่าขานกัน สมัยนั้นจะมีอักษรจารึกหรือไม่ก็ไม่รู้แต่สรุปว่าเพราะก็จริงคนไม่รู้จักพระเจ้ามันธาตุราชบอว่าสืบไปกี่ชั่วคนก็ไม่รู้ก็ยังไม่ได้เจอพระเจ้ามันธาตุราชเพราะนนคนที่ครองแผ่นดินอยู่ในสมัยนั้นก็ไม่ใช่เชื้อสายของพระองค์มันห่างไกลกันไปอย่างนั้นแล้วในสืบพระองค์ก็ที่วงคต แต่ตาแก่คนหนึ่งไปนอนตายอยู่ที่อุทยานหลวงไอ้อดีตนะฮะใน อ, อดีตของพระองค์แต่ปัจจุบันนั้นไม่ใช่ของพระองค์แล้วอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงอายุมนุษย์ที่เราชอบมากเนะี่ยเราชอบโปรให้สีให้พรอะไรต่างๆที่เราชอบเนะลองสังเกตลมันมีความจำกัดของมัน คือมันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราเองต้องการให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแล้วการปรารถนาของเรานั้นมันฝืนสภาวะความจริงของสิ่งเหล่านั้นเช่นเราต้องการมีทรัพย์สรินคารถามว่ามีเท่าไหรล่ล่ะมันก็ตอบไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่เพราะท่านจะรู้สึกว่าพร่องอยู่ตลอดระยะเวลา ความอิ่มด้วยการทั้งหลายไม่มีแม้การพยายามที่จะตอบสนองความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นมากเท่าไรก็ตามเอาเข็อจริงคนเหล่านั้นก็ยังไม่รู้สึกว่าพอวัเดเต็มว่าอิ่มจึงไม่ได้หยุดในการแสวงหาถามว่าต้องการอายุยืนเท่าไรอายุวันูสุขขังพลังที่เราให้พรกันเนี่ย แล้วที่เราให้พรนั้นได้ลองสังเกตว่ามันเกินเกินความจริงไปทางนั้นแล้วก็พยายามหลอกตัวเองทางต่างๆ่ที่มันเกินความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยอย่างประวัติศาสตร์ของชนชาติจีนวรรณกรรมของคนชาติจีนเนี่ยเวลาการให้พรถวายพระพรฮ่องเต้ก็จะให้มีประชาชนมายุยั่งยืนหมื่นหะมืนปีนะจะใช้คําว่าหมื่นหมื่นปีอยู่ตลอด แต่ว่าถามว่ามีมนุษย์ที่อายุเป็นหมื่นๆมื่นปีไหมเอาพระเจ้ามันถาตุราชอายุที่เป็นหมื่นหมื่นปีเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์ของท่านเนี่ยมันไม่ใช่อายุของมนุษย์แต่เป็นอายุของเทพเพราะท่านไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวประดึงมันอาจจะเป็นการให้ความรู้ที่ชัดเจนแก่พระเจ้ามันถว า, าตุราชของทา้าวสกะตเทว ร, ราชก็ได้ คือแทนที่จะสอนจะชี้นำให้เกิดความเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยก็ให้ดูตัวเองก็แล้วกันให้สัมผัสตัวเองก็แล้วกันท้าส ก, กะเนี่ยจุติไปมนุสษกษีองแล้วนะฮะพระเจ้ามันตูธาทาตุราชยังไม่ลงมาจากสวรรค์เลยทีนี้ถ้ามนุษย์เรานั้นอายุมันมันยังมากเท่าที่รู้ในคำพีพระพุทธศาสนาเนี่ย มีตัวตนบุคคลอยู่จริงมีพระหลานอยู่รูปหนึ่งชื่อพระภากุละอายุท่านยืนถึงร้อยหกสปีแล้วก็อีกองหนึ่งก็คือพระอนุรุตอายุยืนร้อยห้าสิบปีแล้วก็ยังไม่เคยพบว่าคนอายุยืนเกินไปกว่านั้นเวลานี้ที่เราพูดถึงพระโสนาพระอุตระ แล้วก็พูดถึงพระครูโลกุดอนอะไรเนี่ยว่าเป็นพระอุตระเนี่ยอันนั้นก็เป็นตำนานการเล่าเล่าสู่กันฟังหมายความว่า้าพระอุตระมีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบันจริงๆก็แสดงว่าท่านมีอายุยืนมาจนถึงสอง0ันรกว่าปีแหละก็ท่านเป็นธรรมทูตชุดแรกที่ ส่งออกนอกชุมภูทวีปในสมัยของพระเจ้าอโสมมาราชรวมมือกับพระโมคคัลลีบุตรติสเทระก็ส่งพระธรรมทูตเก้าสายออกมาสู่ส่วนต่างๆของทวีปเอเชียนะฮะแล้วก็เข้าไปในทางยุโรปบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกธรรมะมหาอมาตยที่เป็นนักบวชมาเนี่ย ที่สืบเชื้อสายมาต่อจนถึงปัจจุบันที่ชัดเจนก็คือลังกากับประเทศไทยเป็นสายที่8กับสายที่9แล้วก็โดยการนำของพระเซดโศนาพระอุตรระแด่ท่านก็เล่าเนี่ยหลวงปู่ใหญ่บ้างเรียกอะไรแต่อะไรต่างๆกันมากมายในวงการชวนดมากแล้วก็มันไม่ถึงกับเป็นว ง, วงการวิปัสนาธุระทีทเดียวแต่ว่าค่อนข้างไปทางหลัง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ได้มีการพูดมีการอธิบายเอาไว้แต่ว่าก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยสัมผัสจริงๆเราจะปฏิเสธหรือยืนยันมันก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาว่ากันว่าอย่างนั้นว่าพระโสณายังมีชีวิตอยู่แม้ในปัจจุบันบัดนี้แต่ว่าถ้ามีก็ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมาก 2อ0พกว่าปีเนี่ยราถือว่าเป็นเรื่องพิเศษทีเดียวทีนี้ในเรื่องอายุในเรื่องทรัพในเรื่องอำนาจอำนาจทั้งหลายมันก็เหมือนกั น, นคือเราจะเห็นว่าถ้าเราอายุยืนมากเนี่ยผลรุ่ท้ายคนที่เป็นลูกหลานเราเนี่ยอายุไม่ได้ยืนตาม ลูกหลานก็ตายไปแล้วชุดแล้วชุดเล่าชุดแล้วชุดเล่าชุดแล้วชุดเล่าเราก็อยู่อย่างนงี้เนี่มันอยู่ท่ามกลางความเหงาเศร้ามันไม่ได้อยู่ด้วยความสนุสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจเพราะว่าไม่มีใครรู้จักแหละและภาษาที่จะสื่อสารกันอ่านก็จะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทำไปได้เคยพบเอกสารของฝรั่งนะ ขงพรังแต่อาจารย์เปรื่องในตำนานะนนะเมืองใต้เนี่ยก็ได้แปลออกมาเป็นใจความโดยสรุปว่ามีคนคนหนึ่งต้องการให้ตัวเองนะมีอายุยืนแล้วก็ขอกับเทวดาเทวดาก็ต้องการจะสอนนั่นนะก็เลยก็อนุญาตให้ขออายุยืนตามที่ตัวเองต้องการ ท่านขอหนะ้าร้อยนะห้าร้อยปีเทวดายา้ำให้คิดได้ดีนะจะเอาจิงหรือห้าร้อยปีมันไม่ตายนะก็ อ, อยู่กันจนครบห้าร้อยปียึงจะตายแต่สมัครใจจะเอาอย่าง้ปรากฏว่าท่านอยู่ไประยะหนึ่งเนี่ยอายุท่านร้อยกว่าปีเนี่ยลูกหลานเหลนลืนเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกันแล้วสืบต่อกันไม่ค่อยได้ละ มันซึมมันเหงามันเศร้ามันหดหู่ที่อยู่กับอายุซึ่งมันมากแต่ว่าคนมันเปลี่ยนแปลงตลอดตัวเองก็เดไจ้เจอคนคนอื่นแก่เจ็บตาแก่เจ็บตาแก่เจ็บตา ย, ตา ย, ตายมา ก, กี่ชุดก็ไม่รู้พยายามฆ่าตัวฆ่าตัวตายโดวยพิธีการต่างๆหลากหลายแต่มันไม่ยอมตายสักทีหนึ่ง ในสุดท่านก็ตัดสินใจก็สร้างเป็นกูดังเข้ามาก็คล้ายๆกับห่วงตุยห่วงซุยห่วงซุยของของกดจีนน่นะแล้วเข้าไปนอนอยู่ข้างในตอนนั้นอายุท่านยังไม่ถึงสองร้อยปีแล้วเขียนไว้ว่าต่อไปอีกสามร้อยกว่าปีนะสามร้อยกว่าปีท่านจะตาย เราตกลงว่าอายุสามร้อยกว่าปีเนี่ยเป็นอายุที่เป็นก็ไม่เป็นตายก็ไม่ตายก็เป็นตัวอย่างสอนเป็นตัวอย่างสอนว่าไอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเปนหน้าตานี่คือสัจธรรมแต่เราพยายามยอมรับความจรงิงทําความเข้าใจกับความจริงเหล่านี้ได้เราก็อยู่ในโลกอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเรื่งความจรงิง พยามผ่านการเวลาไปโดยความตื่นตัวมีสติระลึรกรู้ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้การเรียนอย่างนานแล้วที่เคยบอกมาว่าเราเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเรามองตรงเนี้ยนะนะมองตรงนี้คําว่ากุรุสะธรรมังเนี่ยหรือว่าคำว่ากรรมมาจะธรรมนิคมหรือว่าพวกบุรุหรือกุรู มันเป็นการบ่งชี้ถึงสภาพทางสังคมสภาพทางการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสภาพทางการเมืองสภาพต่อการเมืองทางการปกครองทางระดับคุณธรรมทางศาสนาเป็นต้นหมายความมาทำยังไงเราจะเข้าใจได้ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์เดหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์ ข้อเท็จจริงในด้านของธรรมะธรรมะหมายต้องธรรมชาติด้วยนะฮะแล้วก็ข้อเท็จจริงในแง่ของปาฏิหารคือเ อ, เอาข้อเท็จจริงสามด้านนี้ให้เจอเพื่อนคำที่พระอาจารย์ท่านนำมาอธิบายเนี่ยอธิบายในแนวตรงนั้นคือหมายความมันสะท้อนมันทุกด้านเราสามารถได้จินตนาการได้นะะ จินนการได้เช่นเราอ่านหนังสือวรรณกรรมอะไรต่อะไ ร, ต, ะะไรต่างๆประวัติศาสตร์ที่มันเรื่องโบราณ น, น, นั้นน่ะเราก็เกิดไม่ทันแต่เราจินตนาการได้แล้วก็ไม่ค่อยพลาดหรอกพลาดบ้างแน่นอนเราเกิดไม่ทันแต่ว่ามันไม่ได้พลาดทั้งร้อยเปอร์เซ็เพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์มันสะท้อนการพูดก็ดีการทําก็ดีพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์เนี่ย มันสะท้อนปนัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์ออกมามันสะท้อนข้อเท็จจริงในด้านธรรมมออกมาแล้วก็สะท้อนข้อเท็จจริงในด้านปฏิหารออกมาอย่างในกรณีของพระเจ้ามันธาตราุระเราจะเห็นว่ามันก็สะท้อนในเห็นว่าเป็นยุคที่มนุษย์สัมผัสความสุขได้ลึกแล้วก็ใช้อํานาจในเชิงกรีสดาพินิหารบุญญาธิการของบารมีธรรมที่สร้างสมมา เพื่อเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิหรือเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าของเรามีคุณสมบัติเช่นเดียวกับท้าพระเจ้ามันธาตุระแต่พระองค์มองความไม่เที่ยงที่เทวทูตนนะฮะเราสังเกตว่าองค์ทรงมองความไม่เที่ยงของเถ้าถุ น, นะ ท, ท, นท้าพระเจ้ามันธาตุระเคยเห็นไหมล่ะคนแก่คนเจ็บคนตายนี่เคยเห็นหรือเปล่าท่านก็เคยเห็นนะ่ะ แต่ท่านไม่ได้มองในมุมนั้นท่านมองมุมที่ว่าย้อนสอนกันเลยหมายความว่าโลกที่อยู่ท่ามกลางความไม่แก่ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยท่านจะขออยู่ในช่องที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโดยคิดว่ามันมีในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมันมีและในสุดท่านก็เลือกทางนั้นเมื่อท่านเลือกทางนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกนั้นก็เมื่อไรก็ไม่รู้นะฮะแต่นี่คือคือเป็นเป็นการให้เห็นว่าคุณสมบัติเรามีพอๆกันแต่สำคัญว่าเรามองอยังไงอะมองโลกมองชีวิตยังไงพระเจ้ามันธาตุราชนั้นท่านมองในแง่ของตัณหาเป็นผู้ชี้นำมีวิชาเป็นความมืดบอดปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ ไม่ได้ตั้งคำถามว่าเธอเอาอายุอย่างนั้นไปทำอะไรเธอเอาทรัพย์สินคารจจำนวนมาหาศาลไปไว้ทำอะไรอำนาจกว้าง ใ, ใหญ่ไพศาลเนี่ยเอาไปทำอะไรวามนาจจริงมากเท่าไรเรายิ่งเหนื่อยเท่านั้นเราดูในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าในส่วนของประเทศใดก็ตามในโลกนี้เราอ่านที่ประวัติศาสตร์เขาที่จริงอ่านประวัติศาสตร์เขา อาจจะดูภาพยนตร์สารคาดีเขาสักเรื่องหนึ่งมันก็สะท้อนประวัติศาสตร์กันเขาได้ว่าในแง่มุมต่างๆในแง่มุมของธรรมะในแง่มุมของประวัติศาสตร์ในแง่มุมของปฏิหารเนี่ยมันมีพื้นฐานมาอย่างไงสืบต่อกันมาอย่างไงดังนั้นเรื่องของพระเจ้ามันทาตุราชจึงแสดงให้เห็นว่า ท่านอยู่ในยุคที่หมายความว่าท่านท่านมองโลกแบบเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านมีคติเป็นสองเหมือนกันพอมองอีกมุมหนึ่งมันก็กลายไปเป็นอีกมุมหนึ่งคนละเรื่องกันทีนี้คำเราลือที่มันแพร่หลายไปนี่คือเขาพูดถึงโลกเนี่ยก็เรียกว่า ทวีปนะฮะทวีปมีสี่ทวีปชมพูทวีปอุพะวิเทห์ทวีปอุตตรากุรุทวีปอมอรยานทวีปอมอรโครยานทวีปแต่ว่าพวกเหล่านั้นอยู่ที่ไหนมันไม่ชัดเจนนะก็ อ, อ่านเจอมาเยอะแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันต้องพิสูจน์ด้วยด้วยเครื่องมือธรรมดาสามัญนี่ได้ สมมติเราอยู่ไกลไปมันกล้องโทรทัศน์เวือนนี้มันก็ส่องได้ไกลขนาดบางคือมาแล้วถ้าเป็นทวีปที่มนุษย์อาศัยอยู่แตกต่างกันแล้วก็ตามลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่ท่านอธิบายไว้เนี่มันน่าจะพิสูจน์ความมีอยู่ของทวีปทั้งสแต่ทวีปอีกสามทวีปได้แต่ว่าบุพะวิเทหะก็ดีมอร์โคยานก็ดีอุตรกุรุทวีปก็ดีเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอ อยู่ที่อยู่ที่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปบินธบา ท, ที่อุต ร, รักุรุทวีปในสมัยที่แสดงยมก ป, ปฏิหารก็ก็ไปบินธบา ท, ที่อุต ร, รักุรุทวีปแต่นั่นคือพระพุทธเจ้านะฮะเป็นพุทธานุภาพก็ไปได้แน่นอนแหละแล้วก็รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน ในขณะที่ทรมานผู้ปุราณชดินก็เสด็จไปเอาผลว่าจากกุตระกุรุทวีปมามาให้พวกปุราณชดินได้เห็นได้กินเป็นวิธีการในการฝึกคนของพระองค์แต่ว่าพระวิสานาไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องสังสารวัต แต่เป็นการเน้นการตกแต่งภบชาติให้มีความประณีตขึ้นแล้วก็หลุดพ้นจากสังสารวัตเพราะสังสารวัตเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าได้น่ามีน่าเป็นแต่ท่านก็เล่าตังว่าชมพูตวี่ที่เป็นดินแดนอุบัติของคนสำคัญเนี่ยอุดมบุรุษนะอุตมะบุรุษหรืออจิริยะมนุษย์เนี่ย เจริยะมนุษย์ก็คือใครล่ะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตัสมาสัพพุทธเจ้าพระปฏิกระพุทธเจ้าแล้วพระอรหันต์สาวกแล้วก็พระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าเราจะลดลงมาก็คือพระระยบุคคลที่ลดหลั่นลงมาลดหลั่นลงมาก็ถือว่าเป็นอุดมบูรุษด้วยกันทนะั้งนั้น ทีนี้ในชมพูทวีปเนี่ยท่านบอกว่าเป็นชินอภิรมอุดมทวีปก็มาการพร้อมกับพระเจ้ามันธาตุราชพระองค์ก็ส่งส่งจากไปแล้วก็กำราบปราบรามประเทศทั้งหลายเนี่ยก็จากนั้นก็ได้สอบถามปริยายกแก้วก็ได้กราบทูลว่า พระอาญาไม่พ้นกล่าจะไหนใต้ฝ่าละองธุรีประบาทจึงสัตย์เถิดนี้ใต้ฝ่าละองธุลีประบาทไม่ได้ทอดพระเนตรอนุภาพของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หรือสถานที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เหล่านี้เป็นรมนียสถานยิ่งกว่ามนุษย์โลกนี้แลนี้แน่ราชาจึงส่งจักแก้วไปก่อนแล้วเสด็จไปณที่นั้นท้าวจตุมาราชได้ทราบว่า พระเจ้ามันธาตุราชเสด็จมาแล้วก็ทรงดําริว่าพระราชาผู้ทรงฤทธิ์มากเสด็จมาแล้วเราไม่อาจจะต่อต้านได้โดยการรบจึงได้มอบราชาสมบัติของตนถวายโรงทรงรับราชาสมบัตินั้นแล้วก็ได้จัดถามว่ายังมีอยู่อีกหรือไม่สถ า, านที่ที่เป็นรมณิจาฐานยิ่งกว่านี้ท่าจ้าตรงแรกก็กราบทูลถึงตาวดึงเทียบเคียงจาตุมารากระดาวดึงเนี่ว่านั้นเทียบเคียงกันไม่ได้ ดาวดึงมันพิเศษกว่าจะตรงงมาราดหลายสิบหลายร้อยเท่าด้วยกันมันแทนที่จะประตุ้นให้เห็นว่าความปรารถนาของมนุษย์เนี่ยไม่อาจให้เต็มให้อิ่มให้พอให้หยุดการแสวงหาได้แต่ถ้าก็ยิ่งสแสวงหาเรื่อยติงสแสวงหาไปไเรื่อยเรื่อยซึ่งในที่สุดก็ เป็นไปดังที่กล่าวแล้วนะฮะก็คือตาอย่างคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนหนึ่งเพราะว่าลูกหลานเหรนลื่นต่างๆมันหายไปหมดแล้วตาเกิดแก่เจ็บตายไปหมดแล้วก็บอกว่าในพบดาวดึงนั้นมาลาศทั้งสี่เหล่านี้ก็เป็นผู้รับสาการเป็นคนรับใช้ขอเท้าวส ก, กะเทวราชนะั้นเจะะทับ ยืนที่พระทวารทักะเทวราชทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอนุภาคมากโรงทรงมีเทวสถานสมบช้เหล่านี้คือเวทยันปราศาสตรพันโยตสุธรรมเทวดาเทวสภาสูงห0 0ยโยตเวทยันสูงร้อยห้าโยตช้างเอราวันสูงเท่านั้นสวนนันทวันสวนจิตรดาสวนะดาวันสวนจิตรดาวัน สวนปารุศกาวันสวนมิศกาวันประดับประดาด้วยทิพยยะพฤกษาจำนวนพันต้นต้นไม้สวรรค์ชื่อว่าปาริกจัดตะสูงร้อยยอดปลายใต้ต้นบริสัทจานั้นเป็นที่ประทับบรรทุกอัมพลศิลาอาดที่มีเสียงเหมือนดอกงอนไก่ยายวหกสิยอดกว้างห้าสิบยอดสูงส5โ้ายด ซึ่งอดนุ่มเมื่อท้าวกะเทวราชทรงประทับนั่งลงบระกายจะจมลงครึ่งพระองค์กระทรงสดาบันกราคำกราบบังกรทูล น, น, นั้นแล้วประชาชมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปนาดาวดึงภพนั้นจึงทรงโยนจากแก้วขึ้นไปจากแก้วนั้นประิษฐานอยู่บนอากาศพร้อมด้วยจตุรงกเสนา ต่อมาจากแก้วก็ร่อนลงท่ามกลางเทวโลกทั้งสองประดิษถานอยู่ที่พื้นดินพร้อมด้วยจจตุรงค์เกษนามีปรินายกแก้วเป็นประมุกราชาได้เสด็จไปยังดาวดึงลำพังพระองค์เดียวเท่านั้นทสะกะเมื่อเห็นก็รู้อนุภาพรู้ความประสงค์รู้ความเข้าใจเลยก็ ได้มอบถวายส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของสวรรค์ชันดาวดึงให้เป็นที่ประทับของพระองค์ประชาพอสเสด็จประทับที่ดาวดึงความเป็นมนุษย์ก็หายไปความเป็นเทวดาก็ปรากฏขึ้นแทนที่ได้ทราบว่าพระองค์ประทับนั่งบนพระที่นั่งพันธุกํรบลทิลาอาตร่วมกับเท้าสากะเตวรา ้ดย เ, เพียงลืมพระเนตรขึ้นจึงจะปรากฏแตกต่างกัน่วยเทพเมื่อไม่สังเกตก็จะลืมความแตกต่างระหว่างเท้าส ก, กะกับพระองค์เพือพระเจ้ามันธาตุราชพระองค์ทรงสวยทิพยเีสมบัติในดาวดึงนั้นทรงครองเทวราชสมบัติอยู่จนเท้าส ก, ก ะ, สะเสด็จอุบัติและจุตินะตายแล้วเกิดได้แล้วเกิด เกิดและตายเกิดและตายเนี่นยสามสิบกองนะครับก็เวลาก็หายไปเป็นหมื่นมื่นปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีนะฮะ3ามสิบกงนีงเน่เพราะว่าอายุไขของเทวดาชั้นดาวดึงนี่มันอย่าที่บอกวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาววดึงก็ทักไปร้อยปีของโลกมนุษย์ แล้วยุไขของเขาก็เรียกว่าเป็นห้าพันห้าร้อยปีของสวรรค์ก็ไม่รู้นับเท่าไรนะท้ามันธาตุราชยังไม่ได้จุติเลยก็ทรงดำรงอยู่ที่พระราชฐานคือคือเมื่อจุติเนี่ยพระวรากายของพระองค์ก็กลับกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิม พอเหมือนเดิมก็ถูกลมถูกแดดกระทบก็อยู่ไม่ได้นะทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันแตกต่างกันมากแลในที่สุดพระองค์ก็สเสด็จสวรรคตก็เมื่อจากแก้วประดิษฐ์ที่พื้นดินใบนายกแก้วก็ประทับฉลองพระบาทของเท้ามันถาตุราชลงในพระสุพรรณบัตร แล้วมอบถวายราชสมบัติว่านี้เป็นสมบัติของพระเจ้ามันธาตุระมนุษย์ที่มาจากทวีปทั้งสามแม้เหล่านั้นไม่อาจจะไปได้อีกจึงพากันเข้าไปหาปรินายกแก้วแล้วก็ร้องเรียนว่าแต่เท้าขอรับเหล่ากระผมมาด้วยพระบรมเรชาอุภาพบัตินี้จึงไม่อาจจะกลับไปได้ขอแต่เท้ากรุณาให้ที่อยู่แก่เหล่ากระผมเถิด ปรินายกแก้วก็ไ้มอบสนบทให้แก่ขขาเหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การอยู่คนและแห่งทีนี้ท่านอธิบายเนี่ยท่านอธิบายมันไปอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ใกล้ๆอ่ะคือคือในปัจจุบันเราก็รู้แผนที่โลกแล้วแต่เราก็ยังไม่เจอทวีปทวีปอีกสามทวีปนั้น แล้วท่านก็นจำแนกว่าในจำนวนคนเหล่านั้นที่มีคนมาจากปุภาวิเทหะธบีษอาศัยอยู่ได้นามว่าวิเทหรัตตามชื่อเก่านั่นเองวิเทหรัต ก, ก็เป็นดินแดนนี้แหละเป็นดินแดนที่เกิดศึกมหมาภาราตยุทธ์เนี่ยได้รบ ก, กันค่ากันตายเยอะดินที่มีคนมาจากอโมรโครยานอาศัยอยู่ ได้นามว่าอปรันตะชนบทอันนี้ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์เราเนี่ยอปรันตะชนบทก็เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุเทนซึ่งก็ครองราชย์อยู่ที่เมืองโกสัมพีก็ก็ ก, ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นานอะไรนะฮะหมายความมาในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าพูดถึงชื่อเมืองตรงนี้มันมีแล้วก็อยู่ไม่ไกล อยู่ไม่ไกลจากแคว้นมักคตรหรือแคว้นโกศลอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้ไกลกันอปาลันตะเป็นชนบทสมัยนั้นไม่ได้ใหญ่แต่ว่าวิเทหะนี่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็พวกทินที่คนที่มาจากอุตรกุ ร, รุูก็ได้นามกุรุรัตกุรุรัตทเทียบในเวลานี้ก็คือเดลีนะฮะเมืองหลวงของอินเดียเมือ ง, งหลวงของของอินเดีย แต่ดนีนี่เขาย้ายเมืองสามประมาณตัก 5-6 าหกครั้งแล้วแต่ว่าไม่ย้ายไปไม่ไกลหร อ, อกก็ อ, อยู่แ ถ, แ, ถแถบนั้นแหละแต่ว่าไอ้ร่องรอยที่ท่านว่าไว้เนี่ยมันไม่มีตรงนี้ไม่ใช่พระเจ้าว่านะฮะคือปราถตาจาร์ท่านว่าแต่ก็แสดงถึงความรู้เรื่องภูมิศาส นะประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการศึกษาการศาสนาอะไรแต่อะอย่างต่างของคนใ น, ใ น, ใ, นในยุคนั้นได้มากเหมือนกันคนทั้งหลายเรียกด้วยผู้พสหมายถึงจำนวนและนิคมจำนวนมากเพยดังที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านรานนลจึงกล่าวว่าประทับอยู่ที่หมู่บ้านกุรุทั้งหลายในคำว่ากรรมมาสะธรรมะ อาจารย์บางผู้กล่าวอัฏาทิบายโดยแปลงทอทอททอทงนะฮะอักษรเป็นทอทหารสถานที่ชื่อว่ากรมมาสธรรมะเพราะเป็นที่ที่ถูกทรมานของคนท้าวด่านพระเจ้าปุริษาสตร์ผู้มีพระบาทด่างเขาเรียกว่ากรรมมาสธรรมะเจ้าอ ง, งด่างหรือพระเจ้าองค์ด่างก็ได้คือ จนบริษัทเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องไปอยู่ในชาดกสุตสมชาดกท่านเป็นกษัตริย์เมืองพาราณสีเกิดพิษดานอะไรขึ้นมารู้คือติดรสชาตเนื้อมนุษย์นะพอใจที่รับประทานเนื้อมนุษย์แม้จะห้ามปรามยังไงก็ไม่ยอมจนในที่สุดก็กินนักโทษมี ก็ครัวคู่ใจใคนเองทำอาหารกับเนื้อมนุษย์แล้วถ้าก็กินเฉพาะเนื้อมนุษย์ตันเองในสุดประชาชนรู้ความรับเข้าก็ขอร้องให้เลิกเพราะว่าความเลวรา้ายยางอื่นอะไรของท่านไม่มีแต่ว่าเนี้ยมั น, ม, นมันก็มีปัญหาตรงนี้ในสุดประชาชนก็ขอให้ออกไปจากเมืองแล้วก็ไม่ได้ล้างราชวงศ์อะไรแล้วราชวงศ์ก็เอาพระโอรสมาเป็นกษัตริย์ สืบต่อไปแล้วก็บอกว่าเมื่อพระองค์เลิกสบวยเนื้อมนุษย์แล้วก็ให้กลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปวิธีเขาไม่รุนแรงนะวิธีเราก็ดูเออ ม, ม, มันก็นิ่มนวลดีนะคือเขาคนเรามันก็พลาดไปได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้ารู้จักรู้จักการให้อภัยกันมันก็ดีแล้วก็ในสุดท่านก็ไปเดินป่า กับพ่อครัวคู่ใจอ่ะก็ได้จับคนกินวันหนึ่งมันหาคนมาจับกินไม่ได้ท่านก็เลยไปฆ่าพ่อครัวกินตัวเองตัวเองก็เป็นทั้งพ่อครัวเป็นทั้งคนกินแต่พอพ่อครัวมันตายไปแล้วเนี่ยท่านมีท่านมีปัญหาแล้วก็พอดีก็ไปเหยียบบตต่อไม้นะไปเหยียบปต่อไม้วิ่งไล่คนเนี่ย ไปเหยียบตะไม้น้ําก็ต่ําเท้าเท้ามันก็ปูดขึ้นมาจึงเรียกว่ากรรมาสธรรมะเป็นก็เท้าเป็นแผลเป็นนะพุง่งงานว่าเป็ น, เ ป, นเป็นแผลเป็นเรื่องตรงเนี้ยที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้ารับสั่งเรื่องบุคคลพึงเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต แต่เมื่ออนุสอนถึงธรรมะธรรมะในที่นั้นที่จริงเป็นสัจจปฏิยานคคือมันเป็นเรื่องพูดเรื่องสัจจปฏิยานกันระหว่างพระเจ้าสุทโสมกับโจรบริษัทสมัยนั้นยังเป็นโจรอยู่นะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ให้โจนบริษัทเลิกกินเนื้อมนุษย์และพระเจ้าสุทโสมก็นําไปสู่แหวนแพนบ้านเมืองของพระองค์ประชาชนก็ต้อนรับและกลับเป็นพระราชาาเหมือนเดิม เรื่องมันคือต้องการให้รู้จักภูมิหลังว่าเนี่ยพระตถ า, าจารย์ท่านอธิบายเพิ่มเติมไว้อย่างนี้ว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทําให้คนตรงนั้นมีความฉลาดรอบรู้แล้วก็สนใจในเรื่องธรรมะเพราะทําอะไรก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้เอื้อต่อการ ศึกษาประพฤติปฏิบัติทำให้คนมันจำนวนมากนี่มันพร้อมพอพร้อมเวลาพระพุทธเจ้าแสดงจริงๆกลับแสดงที่มหาสติปัฏฐานสูตรโดยพิสดารก็หมายความว่าแสดงที่เดียวกันนั่นแหละคือพระประถฐายา์ก็มา เวลานําขึ้นสู่สังขยนาเนี่ยมันแสดงคนละคราวกันเพราะฉะนั้นพระนรนก็นําขึ้นสู่สังขยานาหมดทั้งสามคราวสามคราวสี่คราวนะฮะแต่ว่าเ น, เนื้อหาก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถจะขยายเป็นสูตรเล็กให้เท่าเป็นสูตรใหญ่เป็นสูตรกลางได้แล้วก็ย่อเป็นสูตรใหญ่ลงมาให้เท่ากับปาฐะเล็กๆ ก, ก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะสรุปแล้วก็คือเรื่องสมาสตินั่นเอง